ของ่ายๆเท่านี้ทาไมมันโง่แท้นอะท่านบอกองนี้บอกท่านด่าตัวเองเลยง่ายจำไว้นะถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกยากเมื่อไหร่แล้วก็หยุดสะก่อนมาฟังซีดีของหลวงพ่อก่อนแล้วจะรู้ว่าง่ายนี่โฆษณาซีดีนะฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วไม่เครียดนะฟังแล้วแก่ช้า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 พอต้องกระทบโลกเพราะจาเป็นต้องกระทบนี่นะมันจะฝืนความรู้สึกจะเบื่อจะเอียนเบื่อหน่ายมากกลุ้มใจเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันต้องกระทบนี่ก็จะหนีไปจับลมหายใจไว้คนไหนจับท้องของยุบไปชํานาญก็หนีไปอยู่ที่ท้องจะหนีหนีการที่จะต้องคอยรู้เจ้าค่ะตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยโยมจะ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 อยากให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้สภาวะอะไรที่มันเด่นนะคะหลวงพ่อท่นเด่นคือปกครองไว้ปกครองไว้นิดนึงที่ดูไม่ค่อยออกค่ะอย่างนี้รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆก็รู้ว่ามันนิ่งแล้วตอนเช้าอะค่ะหลวงพ่อตอนเช้าไม่ทัาหลวงพ่อเช้าจําไม่ได้แล้วคนเยอะเกินแต่ใจมันปะครองยังนิ่งอารมก็ยังดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอยู่จิรัตใช้ได้นะวันเนี้เพราะอะไรเพราะมันดิ้นแล้วจิรัตปล่อยให้มันดิ้นของหญิงอะมันจะดิ้นจิยิงไปบังคับให้มันนิ่ง อ้าวยมก็โยมไปเห็นตัวเองหลงกระงานเยอะค่ะแต่มว่ า, าวันเสาร์นิดลื่นลมแล้วก็เห็นตัวเองกำลังคิดแล้วก็กำลังมวนชัดเจนเอเ อ, เอต้องอย่างนั้นสิว <c oughs> ปกติมันลื่นแล้วมันจะไปเลยแต่<อ>ทันนี้มันไปเห็นว่าเอาใจคิดว่าจะล้มถ้าไม่ล้มได้ไหมอะไรว่าแขนขาจะลงยังไงอะไรน่ามันรู้หมดเลยนะม<อ>จะพลิกยังไงนะี่มันรู้ตลอดเลยครนะูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีอยู่สององ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 ตอนโยมอยู่บ้านฮะมันติดจะติดที่จิตปรุงแต่งอย่างเช้าวันนี้ไม่ทราบว่าลูกจะมาก็นึกว่าตีสีก่กว่ากว่าก็ลุกขึ้นมาทากายภาพนิดหน่อยก็จะไปหงฆ่าจะเตรียมอาหารไปวัดจะไปใส่บาตรพอดีลูกถามแม่จะไปไหมวันนี้จะไปวัดตอบทันทีเลยไปโดยไม่ต้องคิดก็รี บ, รบ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 ไม่ทราบหรอกเห็นไหมยังตั้งใจอยู่เนี่ยรู้ลงปัจจุบันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วดูบ่อยๆคะ่ะแล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อ น, นิดนึงค่ะฟังในซีดีหลวงพ่อพูดถึงว่าการกลั้นลมหายใจอะคะ่ะ น, นี้ว่าสภาวะช่วงที่กลั้นนั้นเป็นอารมณ์ ป, ปรมโภคค่ะนี่พอดีว่าหนูอยู่บ้านเนี้ยหนูจะกลั้นลมหายใจสูดลมแล้วกลั้นแล้วก็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 ไม่ยกมือหรือชี้ให้ ก, การบำเพ็ญสการครับหลวงพ่อครับผมมีอนันติยกรรมที่เ อ, อห้ามมักผลหรือเปล่าครับฮะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่รเปล่าเปล่าครับแล้วตอนเป็นพระไปยุให้สงแตกแยกก็แ่บไม่เคยเป็นพระครับ เ, ออเคยฆ่าพระพุทธเจ้าป่ะไม่เคยรเครับอ เ, อเอาไม่มีแล้วมันจะมีอะไรอ่ะตอนนี้ผม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 จิตมันเป็นไงเรารู้ลงไปในปัจจุบันเรื่อยอย่าให้มันไปอยู่ในความนิ่งๆเฉยๆนานๆเกี่ยวกขี้เกียจครับมันเพิ่งเป็นเมื่อกี้เองครับอืนั่นแหละดีแล้วหลวงพ่อถึงชี้ให้พูดชี้คนไหนดีเอาไกลๆเหรออ้าวคนนี้คนนี้วัน น, นนี้เขายกมือมาส่งมาข้างหน้าผู้หญิงเสื้อดำหลวงพ่อคะตอนนี้รู้สึกว่าเออ